มีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมช่วงขบัญษานะที่วัดแห่งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณเดือนเศษก็มาปรึกษาว่าที่วัดของตนไม่ค่อยมีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรเท่าไหร่ก็ใช้คาว่าบรรยากาศแห่งความเป็นการิยน้ำมิตร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 ไปปรึกษาใครก็เลยไม่ค่อยมีความสุขกับการปฏิบัติรู้สึกเหงาเข้งคว้างก็เลยบอกเข้าไปว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะมันไม่สำคัญต่บว่าเราดูใจของเราเองดูใจรักษาใจของเราให้เป็นปกติ คนอื่นจะไม่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามอันนั้นก็ไม่สาคัญเท่ากับว่าเราเป็นมิตรกับตัวเองหรือเปล่าจริงๆถ้ามองให้ดีนะไอการที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มารบกวนไม่ได้มารังควานเราไม่มีคนมาต่อว่าด่าทอเรานี่ก็น่าถือเป็นโชคดีนะ เขาอยู่ของเขาไปนะเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราน่าจะมองว่าเป็นความโชคดีด้วยซ้ําเพราะบางคนนะก็ไม่ได้อยู่เปล่าๆนะก็มีคนมาต่อว่ามีคนมาอนะ ต, ตําหนิตีเตียนอยู่อันนั้นสิน่าจะทุกข์มากกว่าไม่มีใครมายุ่งกับเราก็ดีแล้วนะ พูดไปอย่างนี้เขาก็ตอบมาว่าก็เห็นด้วยนะในบางส่วนแต่ว่าก็ก็ถามต่อไปว่าถ้าเชนั้นกเรยนนมิตมีไว้ทาไมกเรยนมิตมีไว้ทาไมที่ถามเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าในวัดที่เธออยู่นี่มันไม่ค่อยมีความเป็นกเรียนนิมิตเท่าไหร่ หมายถึงว่าไม่ค่คยจะมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะต่างคนต่างอยู่ถ้าฉะนั้นการยานมิตรมีไว้ทำไมก็ตอบไปว่าการยานมิตรเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราพึ่งตนเองได้นะถ้าเราพึ่งแตกการยานมิตรจนพึ่งตัวเองไม่ได้แสดงว่าใช้การยานมิตรไม่ถูกแล้ว น, ะนี่สำคัญนะ ุู้เจ้าตัดว่ากรักระยะนานมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะหมายความว่าหน้าที่ของกัระยะนานมิตรคือช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้เข้าสู่าการปฏิบัติแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะหน้าที่ของกระะารยานมิตรเนี่ยก็คือช่วยให้เราพึ่งตัวเองได้นะไม่ใช่พึ่งแต่กัระยะนานมิตรมีอะไรก็ คาดหวังว่าเขาจะมาช่วยเราอย่างน้นอย่างนี้หรือถ้าเขาไม่ไม่หรือถ้าไม่มีใครที่จะมาช่วยหรือเรานะก็เป็นทุกข์เขาก็ถามต่อไปว่าแล้วการพึ่งพาแตกกรายณมิตรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะที่ถามมีพระธรรมมาบอกเขาไปว่าเนี่ยคนเราถ้าพึ่งพาแตกกรยณมิตรนะแต่ ไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองเสียทีเนี่ยนะก็เท่ากับว่าใช้การิยานมิตรไม่ถูกต้องพึ่งพาการยานมิตรหมายความว่าอย่างไรเนี่ยพึ่งพาแตกการยานมิตรหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าไปไหนไปไหนไม่อยู่ไหนก็ตามนี่นะถ้าไม่มีการยานมิตรเนี่ยก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราไปพึ่งพาเขามากไปแล้ะจะอยู่ไหนก็ต้องมีการยานมิตรนะ ถ้าไม่มีไกลเยนมิตรจะรู้สึกเคว้งคว้างเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าเราไปมัวพึ่งพาแต่กกลเยณมิตรจนลืมพึ่งพาตัวเองนะหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรก็คิดแต่จะให้กกลเยณมิตรช่วยนะมีปัญหาแล้วก็คิดว่าคิดอยากจะให้เขาแก้แต่ว่าเราไม่คิดทจะแก้ตัวเราเอง หรือไม่คิดที่แก้ที่ใจของเราอันนี้เรียกว่าพึ่งพาแต่กัลยะาณมิตรนะอันนี้เป็นเป็นปัญหานะของคนจนวนไม่น้อยนะรวมทั้งนักปฏิบัติธรรมด้วยนะก็คือว่าเวลาอยู่ไหนนะก็มักจะมีความคาดหวังว่าคนนั้นคนนี้หรือว่าหมู่คณะนะจะดีอย่างงน้นดีอย่างนีนะ้จะเพียบพร้อม จะมีความช่วยเหลือเอเื้อเฟื้อเอื้อกลูลนะจะพูดจาไพเราะนะหรือว่ามีความเอาใจใส่นะแต่พอเจอสิ่งแวดล้อมหรือเจอผู้คนที่ไม่ได้เป็นไปดังใจเนี่ยก็ทุกขนะ์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าลืมดูใจตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะรักษาใจตัวเอง อย่างที่บอกไว้นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่สำํำคัญเท่ากับว่าเราดูใจเรารักษาใจของคนของเราหรือเปล่าจะเป็นมัวมองคนอื่นจยเป็นมัวคาดหวังคนอื่นนะจนลืมนะหน้าที่ของเราเองคนอื่นเขาจะไม่เป็นมิตรกับเราอย่างไรนะตันนั้นก็ไม่สําคัญต่อกับว่าเราเป็นมิตรกับตัวเราเองหรือเปล่าคนที่ไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะ เวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขาไม่สนใจไม่ใหยดีอะไรกับเเลยเนี่ยก็จะรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างเนี่ย <c oughs> ก็แปลกนะผู้คนเรียกร้องให้คนอื่น ม, มาเป็นมิตรกับเราหรือมาเป็นกอริยนิมิตของเราแต่กลับไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะอันนี้มาแสดงว่าเนี่ย ไปมองคนอื่นไปคาดหวังคนอื่นนะจะลืมหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราอย่างแรกคือเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้นะไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายของเราเท่า น, นั้นคนส่วนใหญ่ก็เอาแต่ดูแลร่างกายของตัวเองดูแลให้สวยให้งามดูแลไม่ให้หิวไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้เจ็บ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 อีคนนึงมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละก็ตอนปฏิบัติธรรมก็สบายใจดีนะเพราะว่าไม่เพราะว่าห่างไกลจากบ้านนะที่บ้านเนี่ยก็มีปัญหาผู้คนก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเท่าไหร่นะคนในบ้านนะ่ะมาปฏิบัติธรรมที่นี่เจ็ดวันก็สบาย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 แต่ว่ากลับไม่พยายามทําให้ใจของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นใจที่ใหม่ไม่พอใจที่สิ่งแวดล้อมที่บ้านอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ดูใจว่าใจเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้สิ่งแวดล้อมที่บ้านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากนะแต่ว่าใจเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงได้ไง่ายกว่าแต่คนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจิตใจนะอยากจะให้อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม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 ไปคาดหวังให้คนอื่นนะเปลี่ยนแปลงถ้าใจล้อมใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะให้สิ่งว่าร้อมมันจะเก่ายังไงหรือมันจะแยกกับกเดิมยังไงนั่นก็ไม่ทุกนะรผู้คนเนี่ยมักจะเรียกร้องแต่จะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจริงๆมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้โอกาสแล้วนะได้โอกาสได้ช่องทางเห็นลู่ทางที่จะ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 เวลามันเกิดความไม่พอใจขึ้นเอาเห็นใจเห็นความยินร้ายนะไม่ปล่อยให้ความยินร้ายมันลุกลามกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธนะการปฏิบัติธรรมมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์แบบนี้กับเรานะก็คือว่าทำให้เราเนี่ยมีใจที่ใหม่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นมิตรกับตัวเองได้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 พึ่งตนเองได้หลายคนเนี่ยพอเจอกระยานมิตรเจอคนดีๆเจอเพื่อนที่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยกลับเป็นโทษนะก็คือพึ่งพาเขาติดติดกระยนานมิตรนะถ้าไปที่ไหนที่ไม่มีคนดีๆไม่มีคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีคนที่เป็น ไกลนาฏเนี่ยอันเนี้ยทุกข์แล้วนะคําว่ายึดติดเนี่ยไม่ว่ายึดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อเสียหรือมันไม่ดีทั้งนั้นนะติดสุข ก, ก็ไม่ดีติดสบายก็ไม่ดีติดไกลนมิาฏก็ไม่ดีนะแต่ว่าอ่คนก็มักจะติดนะเพราะว่าพอเจอคนดีๆเข้าก็ชอบนะ วจอจเจอคนที่เอื้อเฟื้อไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อวมปฏิบัตินะเขาดีเราก็พลอยติดแต่ถ้าไ ม, ไม่เจอคนอย่างนั้นในชุมชนอื่นในะวัดอื่นก็ไม่สบายใจนะอันนี้เรียกว่าใช้กลนามิตรไม่ถูกต้องนะก็คือว่าไม่รู้จักพึ่งตนเองสักทีพนระพุทธเจ้าตัดแล้วไว้นาแล้วนะว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ ดูอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพึ่งพาใครเราใหม่ๆก็ต้องพึ่งพาก่อนตอนเด็กๆ เ, เราก็ต้องพึ่งพาพ่อแม่พ่อแม่ก็ทําให้เราเดินได้ทําให้เราอสามารถที่จะอช่วยตัวเองได้ทีแล้วก็ช่วยตัวเองเล็กๆน้อยๆนะตอนหลังก็ทําอย่างอื่นได้มากขึ้น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 การเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้เนี่ยสาคัญมากนะจะไปในที่ที่มีการณามิตรนะอันนี้ก็ดีอยู่นะผู้เจ้าก็ตัดไว้นะว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประเทศอันสมควรคือประเทศที่มีการณามิตรนะมีเพื่อนมีคนเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลมีครูบาอาจารย์นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเติบโตนะไม่ใช่เป็นยังเป็นเด็กเหมือนเดิมเมื่อเราเติบโตก็คือเรา พึ่งตัวเองได้นะเป็นมิจกับตัวเองได้และเป็นเรื่องสําคัญนะการเป็นมิจกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนอกจากตัวเองจะไปคาดหวังให้ใครต่อใครมาเป็นมิจกับเรามาเอื้อเฟื้อกับเราเนี่ยอันนี้มันเป็นความหวังลมรองแรง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 ก่อนเข้าัญษายังใส่บาทอยู่เลยผ่านไปแค่เดือนเศษนี่ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายนอนสมแต่ว่าปวดนะปวดปวดที่ท้องร่างกายก็แย่ก็ทนอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเป็นเดือนแล้แเราก็ไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนก็เรียก ว, ว่ากำลังจะตาย อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะก็คือป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็ค่อยๆตายทีละนิดทีละนิดมันจะมีความเจ็บปวดคอยบีบคั้นนะทิ่มแทงจิตใจไอ้ร่างกายเนี่ยนะที่เคยพาเราไปเที่ยว เคยพาเราไปกินของอร่อยพาเราไปฟังเพลงพาเราไปาดูหมอนลาดูหนังดูละครพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยวันดีคืนดีมันกลับแปรเปลี่ยนไปเป็นเสมือนหอกข้างแคร่ของเราเป็นที่มาของความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมาน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 แม้กายมันจะปวดยังไงใจก็ไม่ปวดนะต้องให้ต้องระวังนะต้องคิดอยู่เสมอนะอย่าประมาทนะจะไปเรียกร้องให้อะไรต่ออะไรมันถูกใจเรานะเป็นมิตรกับเราเนี่ยนะถ้าตรงไ้นไม่เป็นมิตรเราหนีไปหาที่ที่เป็นมิตราคนนี้ประมาทมากเลยเพราะว่าในที่สุดแลว้วหนีไม่พ้นนะ เพราะว่าไอ้ความไม่เป็นมิตรเนี่ยมันตามติดเราไปตลอดเพราะมันไอ้ร่างกายนี่มันกลายเป็นนะเป็นศัตรูเราไปซะและ้วจะว่าเขาเป็นศัตรูก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของเขาแล้วนะนะมันเหมือนบ้านที่แข็งแรงแล้วสักวันนึงก็ต้องผุพังไปที่จริงน่าจะสงสารเขาเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาก็รับใช้เรามานานนะแทนที่จะเกลียดโกรธร่างกายนี้นะที่มัน กลายมาเป็นเป็นตัวทุกข์นะหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราต้องสงสารเห็นใจแล้วก็ขอบคุณเขานะอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะเขาจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราก็คือตอบแทนบุญคุณเขากรตันอยู่รู้คุณเขาะร่างกายนี้มันเคยเคยดีกับเรามาก่อนแล้ววันหนึ่งหรือในวันข้างหน้ามันจะไม่ดีกับเรานะ เหมือนพระที่พูดเมื่อวานเนี่ยตอนหลังก็ศึกไปกายเป็นขี้เล่าน่าเป็นเรื่องของเขาเไอ้ร่างกายนี่ก็เหมือนกันวันดีคืนดีมันกลายเป็นกลายเป็นมะเร็งนะกลายเป็นโทษซะละก็อย่าไปโกรธเขามันเป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือขอบคุณเขาเนะ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 เรียกร้องแต่สิ่งว่าร้อมให้เปลี่ยนแปลงไปเรียกร้องแต่ว่าให้คนหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราไม่เปลี่ยนใจเราไม่พัฒนาแล้วถึงเวลาที่เราต้องเจ็บต้องป่วยนะหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้จะทำยังไงนะต้องนั้นการที่เขาสิ่งว่าร้องเนี่ยมันไม่ถูกใจเราบ้านมีปัญหาวัดก็ไม่มีความเป็นกาลยาณมิตอ่าก็ถือว่าเขามาฝึกเรานะมาฝึกให้เราเนี่ย ดูแลจิตใจให้ดีให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะอะไรจะเป็นอย่างอะไรจะเปลี่ยนอะไรมันจะย่ำแย่อย่างไงก็ตามนะแต่ว่าใจเราเนี่ยเป็นปกติได้เป็นปกติอยู่เสมอวิชานี้สำคัญมากนะเพราะมันทำให้เราเป็นสุขได้ทุกที่นะและถึงเวลาที่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 มันจะเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานหนีไม่พ้นละแต่ก่อนนี่หนีพ้นะมีอะไรไม่ถูกใจก็หนีตลอดเวลาหรือไม่ก็เรียกร้องให้เขาเปลี่ยนแปลงให้ถูกใจเราะแต่มาวันนึงเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นถ้าเราไม่รู้จักพึ่งตงัวเองไม่รู้จักรักษาใจของตัวเองเนี่ยก็จะทรมานมากมันไม่ใช่แต่มีความเจ็บความปวดนะไม่ใช่มีทุกขเวทนานเท่านั้นนะมันจะทุกขทรมานด้วย มีทุกขเวทนาแต่ไม่ทุกทรมานนี่ทําได้นะทุกเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกทรมานเป็นเรื่องของใจนะกายมันจะมีทุกขเวทนาอย่างไรใจก็ไม่ทุกทรมานนะไม่ต้องคิดไปไกลถึงอนิพพาน น, นนะะบางคนก็ไม่สนใจนิพพานหรือความพ้นทุกแต่ว่าควรจะอย่างน้อยก็คิดไปให้มันถึงจุดที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายอ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 ไม่เป็นไรเราอยู่ได้หรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้เนี่ยถึงเวลาไห้ความทุกข์มาติดตามเราไปนะเพราะว่าร่างกายเจ็บป่วย เ, ยเพราะวาความแก่ชาราเพราะวาความพิกพิการอ่ะเราก็ไม่ทุกข์นะใจอยู่ได้กับมันอันนี้อะไรเรียกว่าพึ่งตัวเองเนะน ย, ยิ่งสามารถจะฝึกใจจนเห็นสัจธรรมความจริงนะจนท้าไม่มีความยึดติดถือมั่นได้ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ ถึงตรง น, นั้นไงก็จะไม่รู้สึกว่าไอ้ร่างกายนี้นะมันทิมแทงเรานะเพราะว่าปล่อยวางร่างกายนี้ลนะ้ะปล่อยวางแม้ก็ทั้งทุกขเวทนาไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราใจก็เป็นปกติผ่องใสยอยู่ได้อะเราก็พอสมควรกับเวลาอ่า